ส7บเจ็ดยานที่ขึ้นวิปัสสนาวงเล็บเปิดห้ามีนาคมสองพันห้า้อยห้าสิบจุดจุดนาทีสิบห้าวงเล็บปิดกรมฐานถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วใช้อันไหนก็ได้หมดถ้าไม่เข้าใจหลักแล้วอะไรก็ผิดหมดเลยอย่างอนาปนาสตินะขั้นแรกเลยก็ต้องหัดแยกรูปแยกนาเหมือนกันเห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูมันคนไหนหัดท้องพองยุบก็ดูไป เห็นท้องมันพองท้องมันยุบร่างกายมันขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจดูอยู่ตั้งหากเป็นแค่คนดูอยู่แยกรูปแยกนามออกมาก่อนแล้วจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปตามเหตุตามปัจจัยที่กําหนดไม่ใช่เกิดลอยๆนะ ตัวนี้ขึ้นจากนามรูปปริเฉทยานขึ้นมายานที่สองปัจจะย ป, ปริขหายานเสร็จแล้วก็จะเห็นเลยว่ารูปเมื่อกี้กับรูปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนามเมื่อกี้กับนามเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเห็นไตรลักษ์ด้วยการเปรียบเทียบเรียกว่าสั ม, มสนญาณต่อไปเห็นสภาวะจริงๆเลยเห็นรูปลงปัจจุบันเห็นการเกิดดับของรูปเห็นนามตามรู้นามเห็นนามเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรยเรียกว่าอุทยพ ย, ายาัญาา ถึงตรงนี้สัน ต, ติคือความสืบเนื่องขาดแล้วแต่เดิมเรานึกว่าจิตมีอันเดียวรวดถึงตรงนี้เราพบว่าไม่ใช่จิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นสัน ต, ติขาดอย่างจิตที่เผลอเนี่ยพอเรารู้ว่าเผลอจะขาดวับลงไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมารับอารมณ์อันใหม่เราจะเห็นแต่ความเกิดดับอันนี้ถึงจะขึ้นวิปัสสนานะดังนั้นจริงๆไม่ยากหรอกนะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย